กำลังจะขึ้นปีที่3แล้วนะที่โควิดได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอาการแพร่ระบาดโควิดนี่มันทำให้เรารู้จักคำคํหนึ่งนะซึ่งแต่ก่อนเป็นคำใหม่แต่ก่อนนี่หมายถึงว่าเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วดี่เดนี้เป็นคำที่คนเราคุ้นเคยกันนะคือคำว่า new normal หรือว่าพิถีใหม่มันไม่ใช่แค่คำใหม่นะที่เราเพิ่งมารู้จัก แต่มันยังรวมถึงการปฏิบัติหลายสิ่งหลายอย่างที่เราส่วนใหญ่ไม่เคยทำมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องทำกันเป็นอาจินทำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอเช่นใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปเจอผู้คนเว้นระยะห่าง เวลาจะนั่งในร้านอาหารสถานที่สาธารณะหรือว่าสนามบินนี่ก็ต้องเว้นระยะห่างไปไหนนี่ก็ต้องมีการตรวจวั ด, วดอุณหภูมิเดี๋ยวนี้ก็มีการเรียบร้องให้แสดงผลการตรวจ a t ทนะว่าเป็นลบ ไปงานแต่งงานไปงานไม่ต้องงานบวชหรือไม่ต้องมาวัดนี้เนี่ยก็ต้องมีการแสดงผลมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนทุกนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วอยอมไม่รวมถึงการทำงานที่บ้าน การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลมันเป็นวิถีใหม่นะที่ทำกันจนเคยชินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันอีกนานเท่าไหร่แต่ต่อไปนะอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้แม้ว่า โควิดจะสงบลงแต่คนก็เห็นว่ามันเป็นวิธีที่จะต้องรักษาเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเมื่อไรผู้รู้เขาก็บอกว่าเกิดขึ้นแน่นะแต่ว่าเมื่อไร่ไม่รู้ แล้วจะรุนแรงน้อยหรือมากกว่าโควิดก็ตอบไม่ได้จริงเนี่ยแม้ว่าคำว่า new normal หรือวิถีใหม่เนี่ยมันจะเป็นของใหม่นะสำหรับพวกเราแต่ถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการ หรือวิถีปฏิบัติที่เราเรียกว่าวิถีใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะสำหรับคนเราเพียงแต่ว่าวิถีใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างแต่หมายถึงการปฏิบัติ ที่ผู้คนเคยทำมาก่อนบางอย่านก็กลายเป็นเรื่องที่เราเคยชินจนเราอจะไม่เคยนึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เคยเป็นวิถีใหม่นะของผู้คนมาก่อนอย่างเช่ น, นการถูฟันวันละ3าเวลาหรือว่า2เวลาเนี่ยมันก็เป็นวิถีใหม่นะสำหรับคนเมื่อ เจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยก่อนเั้านั้นขึ้นไปนคนก็ไม่ได้ถูฟันนะเช้าค่ำนะอย่างที่เราทำในปัจจุบันเราจะไม่เคยนึกว่าการถูฟันเนี่ยวันละสองเวลาสามเวลานี้มันเป็นวิถีใหม่ในสายตาของคนยุค ก, ก่อนนะแต่มันก็เป็นเชนะจริงๆแ เช่นเดียวกับการกินข้าวด้วยช้อนซ้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ว่าเมื่อ 60-70 ปีก่อนนี่มันเป็นวิถีใหม่นะของผู้คนเวลานั้นนเพราะว่าอย่างเช่นคนภาคกลางเนี่ยก็กินข้าวด้วยมือนะไม่มีช้อน ไม่ต้องพูดถึงซ่อมแลก้กระทั่งเมื่อ 3-40 สิปีที่ผ่านมานี่ช้อนซ่อมก็ยังหายยากนะเวลาจะไปเยี่ยมเยือนวัดต่างจังหวัดนี่จะไปฉันอาหารนี่พระก็ต้องติดช้อนซ่อมไปด้วยนะเพราะว่าบางวันนี่เขาไม่มีช้อนซ่อมให้ นะเคยไปชั้นแถวสมุทรสาครเนี่ยนะท่านกำชับเลยนะต้องเอาช้อนซ้อมไปด้วยนะเพราะวันนี้ไม่มีช้อนซ้อมเพราะคนสมายก่อนก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ช้อนซ้อมนะกินข้าวด้วยมือนะเรียกว่าเปิบข้าวเนดะีย๋ยวนี้ในะอีสานก็ยังไม่ได้ใช้ช้อนซ้อมกันมากเท่าไหร่นะเพราะว่าข้าวเหนียวมันนะกินข้าวด้วยมือเปล่าได้ ให้เราไม่เคยนึกนึว่าการนะกินข้าวด้วยช้อนซ้อมเนี่ยมันครั้งหนึ่งมันเป็นวิถีใหม่หรือว่ากินข้าววันละสเวลาเนี่ยก็เป็นวิถีใหม่นะเป็น new normal นะสําหรับคนเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราสมัยก่อนนี่ก็กินข้าวเนี่ยก็วันละสมื้อนะกินตอนสายครั้งหนึ่งนะกับกินตอนค่าอีกครั้งหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เรากินวันละสามเวลาจากกนกระทั่งคิดว่าเรากินแบบนี้กันมานานแล้วกินมาตั้งแต่นโนนนะร้อยๆ้อยปีที่แล้วที่จริงไม่ใช่เป็นของใหม่แม้กระทั่งการหลับนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีนับปราศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย คนสมัยก่อนนี่เขาคืนหนึ่งนี่เขาหลับสองครั้งนะหลับครั้งแรกนี่ก็ประมาณสักสองทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ตื่นมาทำนั่นทำนี่สองชั่วโมงแล้วก็หลับต่อนะตีหนึ่งถึงตีห้าแล้วฟังดูก็แปลกนะแต่เขาก็มีหลักฐานมาชี้โอ้มันไม่ใช่แค่บางหมู่บางประเทศ ที่เขาหลับวละสองครั้งแต่มันเป็นธรรมเนียมนะหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติที่ทากันเรียกว่าทั่วโลกเลยนะสงสัยว่าเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเอเชียคันเนเนี่ยสยามเนี่ยคนต่กอนก็นะ คือนี้ก็หลับสองครั้งเ่นี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะเราคิดว่าเนี่ยมนุษย์เรานี่หลับนี่ก็หลับครั้งเดียวนะเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มรถตื่นทีที4ีีหแต่ที่จริงในการหลับยาแบบนี้นี่มันเป็น new normal เป็นวิถีใหม่นะ เื่ององจะเกิดขึ้นมา2300สองสามปีมานี้เองเรือจะสั้นกว่า น, นั้น่ก่อนนั่นๆอี่เขาอมนุษแทบทั้งโลกเลยเนี่ยอ่ะหลับสองครั้งในหนึ่งคืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็มีหลักฐานอ้างอิงเยอะมาก อที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นของใหม่นะสำหรับคนแต่ก่อนซึ่งอาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นแบบแผนการปฏิบัติสาหรับคนรุ่นเรามาช้านานช้านานที่หมายถึงว่าหลายสิบปีอาจจะก่อนเราเกิดแล้วก็ได้หลายคนตื่นเกิดขึ้นมาก็ กินข้าววันละสามเวลาถูฟันวันละสองหรือสามครั้งกินข้าวก็ใช้ช้อนก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิถีใหม่อะไรแต่วิถีใหม่บางอย่างก็เกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอาอยุตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เ ร, เรียกว่าสังคมก้มหน้าเนี่ย มันเป็นวิถีใหม่นะสำหรับผู้คนในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนที่เราไม่ยุโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลากินข้าวพร้อมหน้าแล้วก็พูดคุยกันในโต๊ะอาหารแต่พอมีโทรศัพท์มือถือทุกคนก็ก้มหน้ากันหมดแล้อยู่ตบนโต๊ะเดียวกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกัน เดี๋ยวนี้เราเวลาขึ้นรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้ารถประจำทางคนก็ก้มหน้ากันก้มหน้าดูโทรศัพท์มีหูฟังด้วยอันนี้ก็เป็น new normal นะที่เราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นวิถีใหม่เพราะนั้นคำว่าวิถีใหม่เนี่ยแม้จะเป็นคำใหม่นะแต่ว่า ตัวเนื้อหามันตัวการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ของใหม่หรอกมันมีมาตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เรียกว่า new normal สมัยนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเราก็ไม่เรียกว่าการก้มหน้าดูโทรศัพท์นี่เป็น new normal นะแต่มันเป็นเรื่องที่ทำกันแพร่หลายทั่วทั้ง สังคมหรือว่าทั่วโลกเลยก็ได้สังคมก้มหน้าไอ้ยูนอเมอที่ว่านี่มันก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทำกันพร้อมเพรียงกันจนเป็นวัฒนธรรมแต้จริงในชื่นขอเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็มีวิถีใหม่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะ เป็นแต่เราจะไม่สังเกตรหรือเราไม่เรียกว่านี่คือ new normal หรือวิธีใหม่แต่เราสังเกตดูเนี่ยชีวิตของเราเียโดยเพราะคนที่มีอายุมากเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็เดินได้กระฉับกระเฉงวิ่งได้คล่องแคล่วตอนหลังร่างกายมันก็เริ่มแก่ชารา าจะเดินรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องเดินช้าๆให้การเดินช้าๆนี่ก็เป็นวิถีใหม่นะของหลายคนบางคนไม่คุ้นนะยังอยากจะเดินเร็วแต่ว่าร่างกายมันไม่ให้ก็หกล้มด้วยแต่ก่อนเนี่ยกินอะไรก็กินได้กินน้ำอารมณ์กินขนมหวานเนี่ยไม่มีปัญหาเลย แต่พอร่างกายเริ่มมีอายุมากนี่มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วขืนทำก็โรคเบาหวานโรคอ้วนหรือบางทีโรคหัวใจเล่นงานก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะกินอาหารนะระมัดระวังมากขึ้นของหวานนี่บางทีไม่แตะเลยน้ำบันลมนีก็ยยวงห่าง ขนมหวานช็อกโกแลตไอติมนี่กากินน้อยลงอันนี้ก็เรียกว่าวิถีใหม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่การเป็นผู้สูงวัยหรือความแก่ชราเจ็บป่วยนะเวลาเจ็บป่วยเพราะโรคเบาหวานโรคหัวใจก็ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปวิถีใหม่ของคนป่วยแบบนี้คือว่า นะกินอาหารที่มีไขมันน้อยลงหรือว่ากินของทอดของมันกินเนื้อสัตว์น้อยลงนี่คือวิธีใหม่นะของหลายคนตรงทีไม่ต้องรอให้แกหรือรอ้อเจ็บป่วยนะนะพอชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนที่เรียนจบนะแล้วก็มีงานทำวิธีปฏิบัติก็เปลี่ยนไป ตอนเป็นนักศึกษานี่ตื่นสายได้แต่ว่าพอมีงานทำแล้วต้องตื่นแต่เช้ากลับค่ำบางทีเสาอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดไม่ได้เที่ยวเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นนักศึกษานี่ยนี่คือวิธีใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้หรือเปลี่ยนงานใหม่สถานที่ไกลกว่าเดิมหรือว่า มันเรียกร้องทักษะอย่างใหม่ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องการสติสติอยเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีใหม่ของหลายค น, นไม่ต้องพูดถึงคนที่แต่งงานเนี่ยโอ้อันนี้มันชัดเลยตอนเป็นโสดนี่ก็ใช้ชีวิตแบบหนึ่งพอมีคู่แล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเป็นวิธีใหม่เหมือนกัน นั่นจะว่าไปแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่าวิถีใหม่เนี่ยมันอย่างที่บอแม่มันจะเป็นคําใหม่นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหม่เลยนะสำหรับชีวิตของผู้คนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่จะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพเรื่องของงานการเรื่องความสัมพันธ์ เพราะมันเป็นเรื่องของอนิจจังก็ว่าได้การที่ทุกอย่างมันไม่จีรังยังย่งยงืนก็ทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเนี่ยมันเราไม่จะเป็นต้องรอให้มีความเ ป, ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะกับร่างกายกับสุขภาพกับงานการของเรา หรือไม่ต้องรอให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นเราจึงจาเป็นต้องนะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีวิถีใหม่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงวิถีใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพราะถูกสถานการณ์บางอย่างนะบีบบังคับนะเช่นนะร่างกายเจ็บป่วยนะ เป็นเบาหวานพืลหัลหวใจก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการกินอาหารการใช้ชีวิตรวมทั้งการออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วยเราไม่เป็นต้องรอให้มีอะไรมาบีบบังคับนะจึงจะหันมามีวิถีใหม่ที่จริงถ้าว่าเร า, เารู้จักระมัดระวังเนี่ย เราก็สามารถที่จะมีวิถีใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เจ็บให้ป่วยไม่ต้องรอให้แก่ชราเราก็รู้จักควบคุมอาหารเราก็รู้จักออกกำลังกายหรือทำมากกว่านั้นหากว่าวิถีเดิมเนี่ยเรามองว่ามันเป็นโทษ แทนที่จะรอให้มันแสดงอาการออกมาจนเกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจึงต้องมีวิถีใหม่เนเมื่อเรารู้ว่าวิถีเดิมมันเป็นโทษเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ให้เกิดขึ้นเลยอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบหลงเป็นคนที่ อยู่ในความหลงไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่แค่หลงลืมสิ่งของบางทีก็หลงตัวลืมตนวู่วามนะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชนะก็ปล่อยใจจมอยู่ในความทุกข์นะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เรามาฝึก ให้เกิดวิถีใหม่ก็คือมีสติมีความรู้สึกตัวให้มากขึ้นแต่ก่อนนี่โอ้เวลาเจออะไรถูกใจก็ดีใจจนลืมเนื้อลืมตัวหัวราอเสียงดังแต่พอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็จมอยู่ในความทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัวอันนี้คือวิธีเดิมของหลายคน มืรู้ชนิแล้วว่ามันไม่ดีน ะ, ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่มีวิธีใหม่เกิดขึ้นคือว่าเวลาดีใจเราก็ไม่ปล่อยให้มันลืมเน้อลืมตัวหัวเราะบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับลืมเน้อลืมตัว เวลาเจอความทุกข์แต่ก่อนนี่ก็หมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีสติมากขึ้นไม่ปล่อยใจให้มันจมดิ่งในความทุกข์แต่ก่อนมีใครมาพูดกระทบดินทาว่าร้อยก็โกรธ แต่ตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะก็คือว่านิ่งได้มากขึ้นไม่ไหววายตอบโต้ออกไปอันนั้นเป็นวิธีเดิมนะซึ่งมันมีแต่จะสร้างปัญหาเราต้องเรียนรู้จักนะนะสร้างวิธีใหม่ให้เกิดขึ้น มีอะไรมากระทบไม่ว่าบวกหรือลบนะก็ไม่ยินดียินไจนหมดเนื้อหมดตัวมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีอะไรมายั่วยุกแทนที่จะโกรธแล้วก็ตะวาดออกไป เราก็อดกลั้นได้มากขึ้นสามารถที่จะรู้ทันความโกรธก็กลายเป็นคนที่ฉุนเฉียวน้อยลง น, นี่คือวิถีใหม่นะที่เรานะควรจะใส่ใจเวลาตาเห็นรูปผู้ิ้นเสียงไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ไม่ปล่อยใจให้กับเพื่อม ยิ่งเวลามีอะไรมากระทบแรงๆแต่ก่อนนี้ก็เอะอวยวายแต่ตอนหลังวิธีใหม่คือนิ่งได้มากขึ้นหลวงพ่ อ, เ, พ เ, อเขียนบอกเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้นะจากเดิมเนี่ยมีอะไรมากระทบก็โอย โอ้ยนี่คือโอ้ยในใจนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่มากระทบหูหรือว่าการกระทำที่มากระทบใจแดดร้อนอากาศหนาวแต่ก่อนนี่มันโอ้ยมาเปลี่ยนมาเป็นอืมอืม วิธีเดิมนี่คือโอยนะอันนี้เป็นกันอยู่ส่วนใหญ่ต้องทำให้มนันเป็นวิธีใหม่เกิดขึ้นนะคือในที่หมายเขาว่าสงบนิ่งเฝ้าดูมันไม่มีการไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้โนะวยวายตีโพยตีพากไปแต่ว่าสงบนิ่ง เฝ้าดูนะด้วยใจที่เป็นกลางมันต่างกันมากนะระหว่างโอยเนี่ยกับอืมอ่าถ้าวิธีเดิมของเราเนี่ยคือโอยเนี่ยนะวิธีหมายของเราคืออรับรู้เฉยเฉยเราต้องสร้างวิธีใหม่แบบนี้ให้เกิดขึ้นจากเดิมที่ที่วิตกกังวล จนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าจนรุ่มร้อนถ้าเรารู้ว่านี่วิธีแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้เราก็สร้างวิธีใหม่รู้เท่าทันความคิดเวลาใจนี่ยมันไหลออกไปมโนสร้างภาพเกี่ยวกับอนาคต ในทางลบทางร้ายจนรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกรู้สึกกังวลวิธีใหม่คือกลับมารู้ทันความคิดและมาอยู่กับปัจจุบันมันเวิธีกงความรู้สึกตัวที่เราต้องสร้างให้มีขึ้นนะให้มีความต่อเนื่องมีความยั่งยืน อย่าไปรอให้มีเหตุการณ์ที่เวลวร้ายเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะปรับเปลี่ยนนะวิถีปฏิบัติผู้ฉลาดเนี่ยเขารู้ว่าวิถีเดิมเนี่ยมันเป็นโทษวิถีแห่งความหลงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นวิถีแห่งความรู้สึกตัวตื่นรู้ แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างวิธีใหม่แบบนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยนิ่งได้มากขึ้นนะวางได้มากขึ้นถ้าเวลามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะแย่กว่าโควิดที่แพร่ระบาดในวิธีใหม่เนี่ยที่จะช่วยรักษาใจของเรานี่ให้เป็นปกติได้ คำว่าวิถีใหม่เนี่ยมันมีสองความหมายนะคือวิถีความเป็นไปนะของเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เนี่ยเราควบคุมได้ยากนะร่างกายสังขารบางทีก็แง่บางทีมันก็แปรเปลี่ยนไปอยู่แล้วมันเป็นของแน่นอนจากหนุ่มสาวสู่วัยชารา จากการมีกำลังวังชาก็เริ่มลดน้อยถอยลงอันนี้คือวิถีใหม่นะที่เกิดขึ้นกับทุกคนความปกติธรรมดามันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก่อนตาดีนะหูฟังชัดแต่ตอนนี้เนะี่ยตาก็เริ่มฝ้าฟัางนะหูก็เริ่มตึง ความจำก็เริ่มเลอะเลือนอันนี้คือความปกติชนิดใหม่ันที่เกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เราคุมได้ยากแต่สื่อหนึ่งที่เราทําได้คือวิธีปฏิบัติวิธีความเป็นไปเราคุมได้ยากมันเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขอ ง, ของเราแต่วิธีปฏิบัติ อันนี้เราทำได้แล้วเราควรจะรีบทำนะเมื่อเราพิจารณาว่าวิธีเดิมเนี่ยวิธีแห่งความหลงแห่งความไม่รู้สึกตัวมันเป็นสิ่งที่ครอบงกำกากับที่เราอยู่แล้วก็สร้างวิธีใหม่ขึ้นมานิ่งได้มากขึ้นวางได้มากขึ้นที่จริงเนี่ยเราควรใช้สิ่งนี้มาเป็นเครื่องวัดนะความเจริญก้าวหน้างคนเรา เมื่อเราอายุมากขึ้นแก่ตัวเราไม่ต้องร้อยแก่หรอกแค่อายุมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเนี่ยมันควรจะนิ่งได้มากขึ้นควรจะวางได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งแก่ตัวยิ่งงุ่นง่านหรือว่ายิ่งฉุนเฉียวยิ่งอารมณ์เสียไม่เป็นอย่างนี้มากทีเดียวนะอันนี้พเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของการนิ่งการวางความรู้สึกตัวแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มาเรยวรู้เรื่องชีวิตมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ แล้วก็พยายามสร้างวิถีใหม่ให้เป็นไปในทางนี้แหละะซึ่งมันคือวิเทียนความรู้สึกตัวนั่นแหละอย่าไปรอให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วจึงค่อยมานึกถึงการสร้างวิถีใหม่เราสามารถจะทำได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เยานนี้พเท่านี้นะกราบระ